ภาวนาเพื่อทำกรรมฐานซึ่งส่วนใหญ่นะก็คงปรารถนาความสงบความสงบที่ว่าก็คือความสงบใจแต่ครนี้เราก็ควรจะเข้าใจนะเรื่องความสงบความสงบใจนี่มันมีอย่างน้อยนี่สองแบบ อย่างแรกเนี่ยเป็นความสงบเพราะตัดการรับรู้คือพอไม่ได้ยินไม่ได้เห็นหรือไม่มีอะไรมากระทบก็เกิดความสงบใจได้ผู้คนส่วนใหญ่จะรู้จักนะ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 หรือว่าถ้าในบ้านยังมีเสียงรบกวนเยอะนะก็อาจจะมาอยู่ที่ไกลๆเช่นมาอยู่ป่าไม่เจอผู้คนนะไม่มีเสียงมารบกวนอันนี้ก็ทำให้เกิดความสงบใจขึ้นได้หรืออาจจะมาอาศัยการรูปแบบ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 คนที่มีเงินมีทองนี่เขาเขาแสวงหาสถานที่แบบนี้นะไปสถานที่ที่ไม่มีสัญญาณสนางที่มันก็ไม่น่ายากอะไรถึงจะมีสัญญาณก็แค่ปิดเครื่องโทรศัพท์แต่เขาปิดไม่เป็นใจมันไม่อยากปิดก็เลยต้องไปที่ที่ไม่มีสัญญาณซึ่งบางแห่งก็เป็นที่ที่ คิดแพงมากนะค่าพักเดีนี้เราไปที่ไหนก็ที่แต่ละที่เขาก็อวดว่าเขามี wi-fi เขามาีสัญญาณอินเทอร์เนะ็ตแต่ว่าในประเทศอย่างอเมริกาหลายแห่งนี้เขาจะอวดนะว่าที่นี่ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ wifi ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต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 มันจะเป็นรูปลดกินเสียงสัมผัสก็วาวุ่นหรือว่าวุ่นวายขึมาทันทีนนถ้าเราปรารถนาความสงบแบบนี้หรือรู้จักแต่ความสงบแบบนี้นี่มันก็หาความสงบได้ยากถ้าออกไปเจอผู้เจอคนหรือกลับไปบ้านถ้าคนที่รู้จักความแต่ความสงบประเภทนี้ก็จะคอยหลีกเล่นลีก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 สงบได้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อมีอะไรมากระทบะใจกระเพิ่มก็รู้ทันอาการที่ใจกระเพื่มนั้นเจอรถมาจอดซ้อนคันเกิดความไม่พอใจขึ้นมาก็รู้ทันความไม่พอใจนั้นว่าเกิดขึ้นในใจนี่เรารู้ใจรู้ใจได้เพราะอะไรเพราะมีสติสตินี่มันช่วยทำให้ รู้ทันอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายและใจไม่ว่าจะเป็นบวกหรือลบไม่ว่าจะเป็นฟูหรือแฟบเมื่อรู้แล้วเนี่ยนะมันวางได้ก็คือพอรู้ว่าความหงุดหงิดเกิดขึ้นนะก็ไม่ปล่อยให้มันลุกลามเผาไหม่ใจสามารถจะดึงจิต ก, กลับมาสู่ความปกติหรือว่ากลับมาสู่ความรู้สึกตัว พอรู้สึกตัวหรือมีสตินะมันก็อาการเหล่านั้นเนี่ยมันก็เข้ามาเล่นงานจิตใจไม่ได้เวลามีคนมาตำหนิต่อว่าเกิดความรู้มีขึ้นมาในใจหรือเกิดความกลัวขึ้นมาก็รู้ทันรู้แล้วก็วางอันนี้เรียกว่าสงบเพราะรู้หรือสงบทั้ ง, ท, ง, ท, งที่รู้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 เกิดความห่วงนึกถึงเพื่อนที่เขาแกล้งเราเขาต่อว่าเราก็ไม่พอใจปล่อยใจนึกไปถึงงานการที่ค้างคาที่รออยู่ก็เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาไอ้พวกนี้มันเป็นศัตรูกับความสงบทั้งสิน้นแต่ถ้าเกิดว่ารู้ทันความคิดนะไม่ปล่อยให้ความคิดฟุง้งซ่านพาจิต ก, กลับมา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 ให้มากๆ ก, การเจริญสติอย่างที่เราทําอยู่ที่นี่นะก็เป็นการเจริญสติเพื่อช่วยให้เราเข้าถึงความสงบชนิดนี้ได้คือสงบเพราะรู้รู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์จะไม่มีการบังคับจิตให้แน่แน่อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นการขังมันเอาไว้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 อันนี้ว่าสงบด้วยสตินะพอสตินี่มันทําให้รู้ทันความคิดลอารมณ์ที่มาทําให้ใจว้าวุ่นรู้แล้วก็วางได้ความสงบก็กลับมาแล้ น, นี่การสงบเพราะรู้เนี่ยนะนอกจากรู้ด้วยสติแล้วเนี่ยยังสามารถจะรู้ได้ด้วยปัญญาสตินี่รู้อารมณ์ที่เกิดขึ้น รู้ทันเมื่อมันมีอาการกระเพื่อมของใจแต่ว่าปัญญาเนี่ยในที่นี้เนี่ยมายถึงความรู้ความเข้าใจในความจริงความจริงของกายและใจความจริงของโรคที่อยู่รอบตัวอันนี้สำคัญมากนะนเช่นเวลาเวลาได้ยินเสียงตาหนิเสียงต่อว่า แล้วใจุดหงิดขึ้นมาใจก็เพิ่มขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันเป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะเรายังมีความยึดติดถือมั่นยึดติดถือมั่นในหน้าตาของตัวเองในภาพลักษณ์ของตัวเองเข้ามาพูดให้เราเสียภาพลักษณ์หรือเข้ามาทำให้เราเสียหน้าเราก็โกรธเราก็ไม่พอใจให้ความยึดติดนี้เกิดขึ้นได้เพราะายังขาดปัญญยาย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 ก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาลาบยศสุขสารเสรื่อนี่มันคู่กับเสือเส่อมลาบเสื่อมยศทุกแล้วก็นินทาเพราะเห็นว่านินทาเป็นธรรมดาจะปรารถนาให้คนเนี่ยชื่นชมสารเสริญเราเนี่ยไปทั้งโลกเป็นไปไม่ได้นินทานี่มันอยู่คู่ประจําโลกประจําชีวิต การที่เห็นการที่เข้าใจแบบนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาเนะเป็นปัญญาคือการเข้าใจนะในเรื่องโลกธรรมหรือว่าเวลาของหายเมื่อตระหนักว่ามันไม่มีอะไรที่เที่ยงหรือไม่มีความยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเราพอไม่ยึมเป็นเราเป็นของเรานะการปล่อยวางสิ่งนั้นก็ทาได้ง่าย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 ใจสงบได้เนี่ยมันก็มีไม่กี่อย่าง เ, เช่นการเห็นว่าไม่มีอะไรที่จรังยั่งยืนเผื่อนิจจังการเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยมันมันเจอไปด้วยทุกข์หรือว่าแก่นแก่นของมันคือความทุกข์ความเสื่อมไม่สามารถจะให้ความสุขที่แท้ได้ทั่วง่าคือมันเจอไปด้วยโทษ หรือว่าการที่เห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราของเราเลยคืออนัตตานีอันนี้ก็เป็นความจริงพื้นฐานที่ปรากฏหรือเกิดกับทุกสิ่งรวมทั้งตัวเรารวมทั้งกายกับใจของเราการเห็นความจริงแบบนี้นะมันก็ช่วยทาให้ใจเนี่ยปล่อยวางได้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 หรือไม่แต่เพียงเห็นถึงความไม่เที่ยงของโลกธรรมว่ามีรากก็ต้องเสริมรากมียศ ก, ก็ต้องเสริมย ด, ดมีสารเสริอก็ต้องมีดินทาเป็นของคู่กันในการเห็นความไม่จีรังของโลกธรรมของสังขารทั้งปวงมันก็ทำให้ปล่อยวางได้ง่ายและทำให้ความสงบนะกลับคืนมาสุดจิตใจ เวลามีอะไรมากระทบแรงๆนี่ก็ใจก็สงบได้ในสมัยพุทธกาลมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมาริกานางมาริกานี่เป็นเป็นภรรยาของเสนาบดีคู่ใจของพระเจ้าปเสนิโกศนเสนาบดีคนนั้นชื่อพันทุละพันทุรละนี่เป็นคนที่มีความสามารถในการรบมาก แล้วก็เป็นสหายสนิทของพระเจ้าปเสนทิโกศลตั้งแต่ไปเรียนที่ตักกศิลามาด้วยตักกศิลามาด้วยกันแต่ตอนหลังเนี่ยพระเจ้าปเสนทิโกศลหูเบาก็ระแวงว่าพันธุรักษณเนาบดีแล้วก็ลูกชา ย, ยซึ่งมีถึง32คนจะก่อการกบฏยึดอำนาจก็เลยลวง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 ถวายอาหารประกอนอาหารต่อระหว่างที่กำลังประกอนอาหารอยู่นี่นางทาสีหรือผู้หญิงรับใช้ของนางเมริกาก็เกิดทาจานใส่เนยตกแตกเสียงดังเลยแตกดังเพลงเลยพระสารีบุตรอยู่ข้างหน้าก็พูดคล้ายๆเป็นทานองปลอบนางเมริกาว่าของที่แตก ได้เนี่ยมันก็แตกไปแล้วอย่าเสียใจไปเลยนาเมริกาก็เลยตอบว่าเมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งได้ทราบว่าสามีแล้วก็ลูกตายหมดดิฉันยังไม่เสียใจเลยนับประสาอะไรกับจานใส่เหนยที่แตกนาเมริก า, กาเจอข่าวร้ายสูญเสียคนรักทั้งสามีและลูก แต่ว่าใจก็สงบได้อาจจะมีอาการกระเพื่อมเล็กน้อยแล้วก็สงบได้ทำไมถึงทำเช่นนั้นได้นะเพราะมีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจในเรื่องของความไม่จีรังของชีวิตของสังขารนะเมื่อมีปัญญาชนิดนี้นะแม่เจออะไรมากระทบแรงๆหรือแม่มีเหตุเกิดเตร้ายขึ้นกับตัวก็ยังทรงใจให้เป็นปกติ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 หรือว่าใจเผลอฟุ้งปรุงแต่งไปอ่านรู้รู้แล้วก็วางรู้ตรงนี้เนี่ยรู้โดยสติสติทำให้รู้ทันอารมณ์และอาการของใจที่เกิดขึ้นรวมทั้งอะไรที่มากระทบกายที่ทำให้เกิดเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทนาุกเวทนาก็ตามก็รู้รู้ว่ามันมีอยู่รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะพูดง่ายง่ายไอการรู้แค่นี้ก็ทาให้วางได้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 ที่เป็นอิทธาลมหรืออนิธาลมพวกนี้มันเป็นของที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีใครหนีพ้นมีลาบกับเสื่อมลาบเป็นของคู่กันมียอดกับเสื่อมยอดเป็นของคู่กันสา ร, สรเสริอกับนิธาเป็นของคู่กันการเห็นความจริงแบบนี้ด้วยการไคร์ควรวนอย่างมีสติก็ทําให้เกิดปัญญาขึ้นได้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 แม้ตัวจะอยู่ในโลกนี้แต่ใจอยู่เหนือโลกละใจอยู่เหนือโลกคือว่าความทุกข์ไม่มากระทบไม่มาไม่มาทำให้ใจกระเทือนได้หรือผู้เจ้าบางทีก็เปรียบเหมือนกับดอกบัวนะซึ่งแม้ว่าจะเกิดในโคลนตมแล้วโคลนตมนี่มันก็ไม่สะอาดนะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะชูกิ่งชูก้านเนี่ยจนอยู่เหนือ โคนต้มแล้วก็น้ําได้ทีแรกเกิดในน้ําแต่ต่อมาก็อยู่เหนือน้ําและน้ําก็ไม่ทําให้เปื้อนทําให้แปดได้อันนี้คือภาวะจิตสภาพจิตของผู้ที่มีปัญญาและปัญญาที่ว่านี่มันไม่ได้เกิดจากการคิดเอาแต่มันเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการที่เห็นความจรงิงเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีก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 กายและใจอย่างที่เป็นที่เราเดินจงกลมที่เราสร้างจังหวะนี่นะก็คือการที่ให้ใจเนี่ยได้เห็นนะความจริงที่เกิดขึ้นโดยสายสตินะเป็นตาในเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราปรารถนาความสงบแล้วเนี่ยนะก็อย่านึกถึงแต่ความสงบเพราะไม่รู้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 ลึกไปถึงขั้นไตรลักษณ์เห็นหนึงความไม่จรังของโลกธรรมเราก็ร่วมมันไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้ตรงนี้แหละที่จะทำให้เกิดความสงบอย่างแท้จริงเอาล่ะก็ชาญโยมกันเท่านี้นะครับ